นาปฏิวันภิกษุณีตอบไปนี้ไม่ต้องอาบัตคือ945 1. ภิกษุณีไม่ประสงค์ก่อความไม่พาสุ ข, ขอโอกาสจงกรมยืนนั่งนอนยกขึ้นแสดงเองใช้พืนให้ยกขึ้นแสดงหรือท่องบนข้างหน้าสองภิกษุณีวิกลจริต 3. ภิกษุณีต้นบัญยัติสิกขาบทที่สจบ